ทำที่แรกบางคนก็เคยทํามาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยได้ทําบางคนก็ทําวิธีนั้นวิธีนี้มามากเพราะว่าทุกคนเป็นผู้สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมตัวของอาตมาเองก็คือกันเนะ่ยเคยทํามาหลายวิธีแต่มันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้จริงมันรู้ฟังฟางคําว่ารู้ฟังฟังได้ว่าอย่างไรหลวงพ่อไม่รู้รู้รู้หรอกแต่มันไม่รู้ไม่มีสงสัยเนี่ว่ารู้ คล้ายๆคือเราอยู่ในมุงในถ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สว่างในใจเนี่ยแล้ยว่าแสดงว่ารู้จํามาแล้วก็พิจารณาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่รู้แสดงว่าเราไม่รู้รู้จําวิธีนี้คือพลิกมือขึ้นให้รู้เนี่ยห้อมมือลงให้รู้พลิกขึ้นให้รู้ห้อมลงให้รู้ยกขึ้นบนสีกษัตสาย์ให้รู้เอามาที่นี่ก็ให้มันรู้มันหยุดก็ให้มันรู้เคลื่อนขึ้นบนสีให้มันรู้ไม่ใช่รู้มันเคลื่อนเฉยๆนะ ให้มันสัมผัสรู้อย่างนี้ให้มันรู้นี่ทําอย่างนี้รู้ความรู้อันนั้นเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นว่าสัญญาเนี่ยนี่ไม่ใช่จําได้เนี่ยสัญญามาเกิดคึ้นกับนี้เองสัญญาจะควางหมายรู้และจําได้นเราจะพิชคืนนี่ถ้ามันนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามสวยๆเนี่ยจําได้เลยเราก็ต้องพิจารณาไม่ใช่จำเอาคําพูดหลวงพ่อไปพูดนะนั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปเป็นนามพอได้ยกขึ้นมาสิเป็นรูปทำนามทำได้ เป็นอย่างนั้นเอามาที่นี่อ่ะมันเป็นรูปทํานามธรรมเอาไว้อย่างเนี้เป็นรูปเป็นนามเนี่ยรูป ท, ำทำํามนามธรรมใช่ไเอารูปนี้ทําเองนามก็ทเนี่ยรูปทํานามธรรมรูปโลกนามโลกมันเนี่ยรูปอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเจ็บหัวมาปวดท้องเียว่าโรคทางเนื้อหนังโรคทางเนื้อหนังเนี่ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจเซ็กต์ร่างกายให้แล้วก็ให้ยามากินบ า, กกกบางที ก, ก็ถูกโรคเร็วบางทูกนานถูก ถ้าไม่ทูกข์ก็หมอก็จะเปลี่ยนยาให้โรคทางผิวหนังทางเนื้อหนังเรารักษาไม่ได้นอกจากหมอไปวันนี้โรคอีกชนิดหนึ่งนั่งอยู่อย่างนี้แหละคิดแว บ, บขึ้นมาคิดถึงหน้าคนนั้นคิดเห็นหน้าคนนี้ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้อันนั้นนะจิตวิญญาณเป็นโรคไม่ใช่โรคอันนี้นะจิตวิญญาณเป็นโรคนะเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เราพลิกมือขึ้นมันเป็นทุกข์คว้ามือลงมันเป็นทุกข์ พิษตาเป็นทุกข์เลือดใต้แหลกหัวเป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์เราต้องรู้อันนี้ก่อนเพราะอันนี้คนอื่นมองเห็นพลิกมือที่คนเห็นเนี่ยพิษตาที่คนเห็นหายใจเข้าใจออกที่คนเห็นเลือดใต้แหลกหัวที่คนเห็นอันนี้เนี่ยเป็นอย่างหยาบที่สุดส่วนจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาไม่เห็นเลยคนอื่นกระมองไม่เห็นตัวเองก็ยังไม่รู้อีกด้วยจะรู้ได้ทําไมนี่จะว่ามันรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ เมื่อรู้ความคิดแล้วบ่ น, นี้อ๋อสภาพความคิดก็เป็นทุกขงังอันนี้อางอนันตาเหมือ менее, นกันการเคลื่อนไหวก็เป็นทุกขังอันนี้อางอนันตามเหมือนกันเดี๋ยคนจึงเป็นก่อนทุกข์บ่น้ทั้งหมดเลยเป็นก่อนทุกข์รู้จักอันนี้ก็รู้จา ก, นนจากสมมุติขึ้นมาเลยสมมุติคนสมมุติผีสมมติเทวดาสมมุติว่าหน้ามือหลังมือนิ้วมือเล็บมือสมมุติทั้งนั้นเราก็รู้ตัวเราบ่นนี้เนี่อรู้สมมติเงินหรือเสื้อผ้าเป็นสมมติ แม่พยาบ้าลกำนังกั บ, เ, บ เ, เป็นสมุติก็คนธรรมดานี่เองผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นสมุติให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำนันเนี่ยเปิดสมุดให้เขาเปน็นกำนันแต่เป็นคนธรรมดานเนี่เองนวส่สมมุติอันย่างตำรวจทหารก็เช่นเดียวกันเป็นคนธรรมดาเนี่เองไปให้ซื้อว่าตำรวจทหารไม่ปราบตามผู้ร้ายไม่ต่อสู้อันนนอั น, น Bloom, อี้มันสมมุติขึ้นมาเียกว่าการทํางานตามหน้าที่อนะเมื่อรู้จักสมุติอย่างนี้ก็รู้จักศาสนาเลยศาสนาเป็นว่าคําสอนสอนเข้าหู ตาดูนี่มันสนศาสนาศาสนาโเป็อคําสั่งสอนสอนให้คนละท้วทําดีไม่ใช่สอนอย่างคนมีความรู้อะไรก็มาสอนแต่ว่าสอนให้ละท้วทําดีเท่านั้นเองนี่ว่าคําว่าศาสนาพุทธทศาสนาบบนี้คือตัวพิกมือขึ้นบรรลุนี่เนี่ยปัญญาพุทธเออตัวรู้นี่พุทธที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบารีธรรมอยู่ด้วยธรรมก็ธรรมะอันนี้บนี้แต่ว่าใจนั้นเป็นปัญญาพุทธตัวสติตัวปัญญาตัวความรู้น่ะ ดังนั้นศา ส, สนาคือตัวคนทุกคนนี่เองเหมือนกันผู้หญิงก็เป็นาศาสนาผู้ชายก็เป็นาศาสนาภาคสงองค์เจ้าก็เป็นาศาสนาคนรวยก็เป็นาศาสนาคนจนก็เป็นาศาสนาเขียนหนังสือได้ก็เป็นาศาสนาเขียนหนังสือไม่ได้ก็เป็นาศาสนาให้ว่าคนทั้งโลกนี่เลยจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กษคนอเมริกาคนคามร์คนยนุนคนลาวคนเยอรมันใครเขตามนะี่ยให้ซื้อว่าคนเนี่ย เป็นศาสนาทั้งนั้นอันเราไปสมมุติขึ้นว่าศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรต่างๆนี่ยมันสมมุติสมมุติขึ้นมาให้ซื้อบริษัทนั้นเองเลยดันวิธีเนี่ยใครทําก็รู้ทั้งหมดเลยแต่ขอให้ทําถูกต้องเท่านั้นเองหาวิธีนี้แล้วก็ไม่บริกรรมอะไรทั้งหมดเพียงแต่ความรู้สึกนิดเองไม่นึกไม่คิดเองแต่ว่าคนอื่นอาจจะนึกจะคิดก็ได้หเดียว หลวงพ่อบุญเข้าใจกันคันว่าความสำคัญติหลวงพ่อต้องว่าภาษาบ้านหลวงพ่อวะหลวงพ่อแทบเบื้องนึกได้คิดแมงเฮดไปพลิกไปพลิกมาสิแมงงอดตกเสขาหลวงพ่อตกเสขาเบื้องนี้หลวงพ่อเลยรู้เลยทันทีหลวงพ่อเลยตามปกติตกได้ปัดตังทิหลวงพ่อก็เลยเบื้งพี่ว่าโอ้มันเป็นรูปเป็นนามได้แมงงอดปก็ได้แมงปองนะที่อ่านไ่ต้องบ้านหลวงพ่อเลยเออแมงงอดขาหลวงพ่อก็เป็นรูปเป็นนามมันอันมาตอดขานี่แมงอย่างท่นบื้ม่แรแมงงอดบืองแรกแมงปอง เป็นตัโกดตัวโลดตัวลงต่างหากกั น, นแต่มันก็ยุ่น่ะมันมันบุกัดเราเด้อโอ้มันก็นมีธรรมะคือกันแต่มันรู้พูดภาษากันบูได้อั น, นี่เนี่ยนุเพราเข้าใจางั้นท่านที่ว่ารู้จักพุทธศาสนารู้จักศาสนาบาปได้บ้างเนี้บาปคือโง่บูรู้ตัวเองนั่นเองไปรู้แต่ผู้อื่นพุนูนบาปแล้วจึงบูรู้ตัวเองบาปคือมืดบาปคือไม่รู้บุญได้บ้าเนี่ยบุญคือรู้บุญคือสว่างบุญคือดีใจก็ได้รู้แล้ว แต่เซว่าบ่แม่นุ๊กแม่นามดอกอะนานาจังว่าขยากเข้าเจ้าแล้วบ่เปเรื่องของขาเจ้าเรื่องของเขาพี่ต่างหากเด <c oughs> ี๋ยวคนอื่นกี้รู้ดีเหมือนตัวเรารู้ตัวเราบ่ได้นี่แหละสมาธิหลวงพ่อเข้าใจเรื่องสมาธิสมาธิกับมิตาทิฏฐิมันตรงกันข้ามสมาธิิไปลเห็นถูกต้องนั่นเห็นชอบเห็นชอบได้เห็นตัวเหาเนี่ยบ่ได้ไปเห็นผู้อื่นเนี่นี่แหลเห็นถูกต้องแท้แทเนี่ยจับนี่ก็เป็นขาจับนี่ก็เป็นหูจับนี่ก็เป็นตาถูกต้องจริงๆ เนี่ยสัมมาทิฏฐิจะว่เห็นถูกต้องเห็นสอบเพลวัตอย่างนั้นเมื่อเรีรู้จากบาปรู้จากบุญแล้วบัด น, นี้มรรคนี้อารมณ์รุ่นน้าไทยที่ว่านอกเหนือจากนี้กำลังสร้างหลวงพ่เสื้อเลยเพราะหลวงพ่อรู้จริงไหมนี่นนเป็นอย่างนั้นก็เลยมาทําอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยดีใจอยู่ทั้งวันเลยบัด น, นี้เดินจงกรมไปทีแรกหลวงพ่อรู้สมมุติ์บัด น, นี้มันปุ๊บข้ามามาเกิดปีติขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมาอยากไปเทศให้ผีฟังแล้วบัด น, นี้เทศให้ผีฟังต้องยืนอย่างนี้ เทศให้เดเทวดาฟังต้องยางอย่างนี้เดินอย่างนี้เป็นตั้งแตางอยู่เลยมันเป็นผู้เดียวมันมันเข้าไปในความคิดมัดบเลยอันนั้นเป็นขมรู้ที่ออกนอกตัวเราไปแจ้กรดีมันลูกกข่วงห่วงออกไปซื้อรู้และลืมอันนั้นนะรู้และลืมรู้และลืมอันรูปนั้นนี่รููบุ่นวายกับเธอเลยอันนี้ว่าสัญญาสัญญาตัวมันเกิดขึ้นมาเองยอดสัญญาขันนี่รูปขันสัญญาขันสัง ข, นขนญญานขันวิญญาณขันเวทนาขันมายุททั้งหมด ยคันอันนี้มีศีลนะศีลแปลว่าตั้งมั่นศีลแปลปกติบหมือนนี่ยเป็นปกติกับรู้อย่างนั้นนี่ศีลอันนี้โบต้องไปรับกับพระกับเนรโบจะไปสมัชธานกับภัยพอแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าถ้าบ้านใดบบมีพระเจ้ า, าพระสงฆ์โบมีสมณเณรนะไปสมัชธานกับพระพุพทธลูกก็ได้แั้นสมัชธานเอาศีลถ้าโบาส ม, มัชธานเอาศีลจะไม่มีศีลกาบเถรพลวั้งฟังอันนั้นเพิ่กนกระรู้อย่างสั้นพอแม่ครูบาอาจารย์รู้อย่างสั้น เพิ่งก็สอนอย่างสั้นที่บ้นหลวงพ่อมารูสินอ้อยบบต้องไปเอานาให้กระได้สินคือโบโ บ, บ, บคิดลายอะารเป็นปกตินี่เองรููอันนี้พอดีรู้เรื่องนี้ไปแล้วเดินไปเดินมาตกเย็นมาหลวงพ่อไปอาบน้ำหลวงพ่อเข้าไปในหคิดหลวงพ่ออาบน้ำมาแล้วหลวงพ่อมาเดินข้างหนั้นเป็นต้นสมพรต้นต้นต้นคอยเนี่ยวต้นสมพอบ้านหลวงพอ่อทางนี้เป็นต้นมางทัน เอิร์นมาพุช่าทางพี่เอิร์นเลและมันตรงการ น, นั้นเดินอย่าง<ม>เดินกลับไปกลับมามันคิดบู๊ขึ้นมาหลวงพอบรูดคล้ายๆเคยมีคนมาสุก ข, ข้าหลวงพ่อมาผักมาสุกขขัำเดียวกันนะบู๊เนี่เอ๊ผู้ทด่มาสุกค้ามาผักข้างตัวนี้นอ้อยเนี่บ้วเห็นคนบ้วเห็นคนแล้วก็เดินกลับไปกลับมามันคิดเอามาทดสอนี่หลวงพอูโอ้มันคิดแล้วอันนี้หลวงพ่อรู้แต่หลวงพ่อยังยั ง, ย, งยังบูทันเอาความคิดได้เถอนมันคิดขึ้นมาที่สามเนี่ยโอมันคิดแท้ๆนะ หลวงพ่อก็เลยเปียบให้ว่าให้คือแมวจับหนูแมวกับหนูเนี่ยมันเป็นของตรงกันข้ามมันเนี่ยความรููกับขมไม่รู้เนี่ยมันตรงกันข้ามพอดีเดินไปมาคิดปุ๊บหลวพอรู้อ๋อมันรู้แต่เมื่อแต่เฝ้าน่ะแมวตัวน้อยหนูตัวใหญ่พอดีแมวจับปุ๊บบางที่หนูมันลากไปติดไปมันมักเคยวางหนูลากไปติดไปแาบนี้มันเมื่อแล้วมันวางหนูหนูก็เลยไปแล้วแมวก็ตัวน้อยมาแหงบะทอ โบท่าแมวบบท่าหนูบัดนี้มันเห็นได้เลยมนแหงหนูมันใหญ่แล้วบัดนี้แมวตัวใหญ่หนูหนูก็ตัวใหญ่หนูออกมาหนูมันอยู่ที่มืดออกมาบนแจ้งบนได้แมวมันระวังอยู่พอดีหนูออกมานี่แมวมันกระโดดเส้นแหลอย่างแหลมคคปุ๊บหนูมันศอกตายเลยโตคนคิดนี่ก็เหมือนกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นรู้เข้าใจมันหยุดทันทีเลยหลวงพ่อเห็นอยงสั้นแต่ผู้อื่นทีเห็นแตดบุหัวแจ๊กหลงพ่อจะว่ากล้ายืนยันรับรองว่าทุกคนเป็นกันหมด พราแมนคือกันนี่เด้แกโบ้คือกันเนะี่ยพ่อโบ้บ้ให้คือกันธรรมะแท้จึงคือสิ่งเดียวกันเท่านั้นจะเป็นคนทราบได้ก็ต้องรู้อย่างนั้นถ้าหากรู้อย่างนี้บ่เป็นธรรมะอย่างนั้นมันธรรมะอย่างอื่นที่หลวงพ่อวาให้ฝังเมื่อเสาร์เนี่ยในประเทศอินเดียมีร้อยแปดศาสนาร้อยแปดลทัทธิร้อยปดอาจารย์บัดนี้เราจะไปเอาของแผ่หุ้บุหุ้บจักมาสอนกันที่บ้านเขาคนไทยไปเอามานี่หรือเพื่นเอามาแต่ก้อนตั้งเต๊ปูตาเงาทัวใส่หุ้งออกมา บูฮู้จักเพราะจะจับเอาของพระพุทธเจ้ามาหรือว่าจะจับเอาของผู้ใดมาเขาบูฮู้จักเขาจะไม่ให้ตามกันไปบันยังหลวงพ่อกับบได้ว่าภูนั้นภูนี้ยังหลวงพ่อก็ทำมาให้ทานหลวงพ่อกับมักให้ทานเก่งจนมึกเนื้อหมดตัวแหละหลวงพ่อได้ให้ทานให้วันเด้ไปมีทั้ใดหลวงพ่อไปทานเจนมึกแนะเพราะหลวงพ่อย่านไปตกนรกหลวงพ่อยากไปดวงสวรรค์สวรรค์ยี่งใส่ บ, บูฮู้จักเงีย้ยพอบัดตายไปแล้วมีเทวดามาเซพเอามีนนตรีมีระนาดพาดคล้อง มาเสด็จออกไปเมืองสวรสด์เราสันพ่อแม่ครูบาอาจารย์วาังสันเราก็ต้องทํายังสันเพราะเราบูรู้ด้ก็ต้องทําไปนี่หลวงพ่อบัดนี้มันคิดพวกรู้จักมันคิดพวกรู้จักหลงพราก็เห็นเลยโอ้กิดคมรู้ขึ้นมาจากจิตใจรู้วัตถุ ก, ก่อนวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาหุวนหน่อของมือเป็นวัตถุทั้งหมดบัดนี้แข้งขาเนื้อหนังเขาเนี่ก็เป็นวัตถุเหมือ น, น จิตใจนึกคิดกันไปวัตถุมันโอวัตถุได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกนี้โลกข้างนอกดินฟ้าอากาศโลกข้างในคือมูสัตว์เนี่ยมันวายอย่างนั้นล้วก็เลยรู้จักโลกโอันโอตัวเราก็เป็นโลกเส้นหนึ่งรูง้จักจ ก, ก็เลยกําลังรู้กําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีอยู่เป็นปรมัดปรามาัดกันมาถึปัจจุบันบัด น, นี้อาการสภาพเปลี่ยนแปลงไปแล้คนนุ่มน้อยเท่าแก่ตายไปตนไม่ก็คือการเกิดมานแล้วกันง่ายขึ้นก็ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างตายมัด เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอากา ร, กา ร, กา ร, การทางนั้นมูเนี่ยเนือเงินทองนี่ก็คือกันทุกข์ยากเลยว่าจะไปเป็นอาการเปลี่ยนแปลงไปย่งเขาเรียกว่ า, าอาการวัตถุปรมาตอาการต้องเห็นอย่างนี้ถ้าบม่เห็นอย่างนี้ก็เสื่อว่าบม่ได้รู้ธรรมะแบบนี้รู้ธรรมะแบบอื่นดังนั้นหลวงพ่อรู้จึงเพรหลวงพ่อกล้าเหยียดหยันหลวงพ่กอกระซอดคนมาและไอคนเมื่อรู้วัตถุรู้ปรามาต ร, รู้อาการเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบได้ก่อนเห็นโทสะ โมหะโลภะแต่วัยเห็นยูดีนิก็เห็นแต่บรมิตานี่เห็นได้เห็นมันรู้หน้าตาแข้งข่าเป็นยังไงรู้จักจังว่าตัวมันเองบอกมันเองจังหวะสัญญาแต่วราผมรู้คือสัญญาตัวนั้นนะบอกมันสมมติว่านะอันนี้มือเนื้อสิมันบอกอังศิอันนี้หน้าภากเนื้ออันนี้บอกอังศิมันบอกมันเองก็รู้ที่ตัวมันต้องบอกมันเองมันเป็นอย่างไรต้องรู้หนูพอลูอย่างนี้พอเดเห็นอย่างนี้เราก็เลยรู้เห็นเข้าใจเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเป็นมู่คนขึ้นมาเลยจีวารู้จักขันห้าขันสี่ขันหนึ่งเนี่ยคนว่าขันห้าขัน 1, นั่นขันสี่ขันขันขันเดียวสำหรับลาคนสอนนักสันเลยลู่ไปตามความจริงนี้เนี่ยพอลู่โบได้ลู่ไปอย่างอื่นอันนี้ลู้แท้แท้นี่พอได้รู้อันนี้กับเวทนาบทุกสัญญาบทุกสังขารบทุกวิญญาณบทุ ก, ทกอันเป็นเทวดานะั่นโบได้ลู่อันนี้เป็นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เ, เป็นเป็นเทวดา เขามองบ่ยเห็นจึงว่าคนมีตาทิพย์ต้องมองเห็นเนี่ยพี่ก็คือกันบ่เป็นรูปอันนี้เป็นเวทนานั้นเป็นสัญญาณนั้นเป็นสังขารนั้นเป็นวิญญาณนั้นเป็นเป็นพีก็ได้บ่เป็นรูปร่างอันนี้เป็นได้จึบอกคนมีตาทิพย์จึงเห็นอันนี้แหละพลว่ารูปสี่อันนี้เอิ้นามรูปอันเนี่ยบ่เป็นรูปนามเลยนามรูปอันนั่นา น, น, านามมันเป็นรูปคิดผู้มุจักคิดจิว่านามก็เอิญจิว่าอย่างก็ได้เอิญว่าวิญญาณมันนี่ วิญญาณรู้แบนบนี้วิญญาณขันวิญญาณเปยวรู้บุเบนไม่วิญญาณตายแล้วลอยเหาะไปอย่างสั่นคือบุพเพ่าแต่ก่อนน่นเน่ยพ่อขว่านตะกี้แต่ก่อนเนี่ยพ่อขว่าตายแล้วไปเกิดทำบ้าไปเกิดเป็นลูกสัตว์ทำบุญกับไปเกิดนคนลเอาหัวไปมุดข้าทองผลบุูนได้เนี่ยตะกี้มันมาเข้าใจเราโอ้โหบุเบนเอาหัวไปมุดข้าทอง ค, คุ ม, ม, ม, งคมันเป็นธรรมชาติคนมันข้าเจ้าที่เจ้าท่นก็ต้องมีลูกที่บุเบนกิตเขาไปเข้าเด้เขาทองผลณบแมบนเนี่ยพอเข้าใจอย่างสั้น เข้าใจจริงๆ này, เนี่เห็นอยู่อย่างิจริงๆอย่บุเสือไัยทั้งหมดเนี่ยอผั้เสวะแท้กระตังสังเมืเสือมั่นในใจตัวเองขนาดที่ว่าพระพระเจ้าห่อมาอยู่นี่ก็บบแมนเนี่หลวงพ่อว่างกับบุเสือขนาดนั้นแกข่าวนั้นบัวได้บวชถือเป็ น, เ ป, นเป็นพ่อเทียนขาเจ้าจเอินพ่อในเทียนแล้วซื้อเดิมหลวงพ่อเรียว่าซื้อว่าพัานบวนัวแมนได้พันตัวว่างเท่า ก, กั บ, บุเสือเพราะผมพูดอย่างสิสมมติจีวะอย่างีิเอาเลยทีเดี ย, ยบวบัแมนนี่พ่อเทียเนเ่บุเสือ พ่อผมรู้อย่างสิจีว่าอย่างสิจีว่ากับพระพุทธเจ้าก็ได้มาเลยทีเดียวจี่ว่าโบเสื้อไผ้าต่าง น, นี่แหละสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องวะทิฏฐิคือความเห็นนี่น่ะตรงกลางแท้แท้นี่โบเสื้อไผ้ัตงเหมือนกับว่าตรงกลางถ้าไปเสื้อคนนั้นไปเสื้อคนนี้เกิดแปลว่าตรงกลางโ บ, บมีโบมนมักโบมนเดินทางตรงกลางเดินทางคอกเดินค้างขังบมนั้นข้างบางนี้เพราะโบเสื้อมันตัวเองมันจีวไปเที่ยวตรงกลางได้อย่างไหน คนอื่นผุนอายุข้อข้างผุนอว่าโบแม่เนี่ยเนี่ยเรียมซื้อเสื้อเขาไปเลยอันนั้นโบแม่ตรงกลางนี่โบแม่ตรงกลางแท้ๆอียงไปข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยรู้อย่างนี้พอดีรู้อย่างนี้เดินกลับไปกลับมาเกิดมีความรู้คนอีกตืมเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแนงโบโลกโบหลืยจากเธออนนี่แหละสิว่าสัญญาความหมายรู้จําได้หน้าตาดั้งเดิมของมันเป็นอย่างนั้น รู้จักจะนะจิมวะเลยหู่จักสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันกิเลสอันนี้ออกแล้วจิมวะกิเลสอย่างหยาบสิ้นจึมเป็นเครื่องกจาจัดกิเลสอย่างหยาบสิ้มันไล่หนีให้ว่าเธอไปมันไล่หนีเธอเมื่อเห็นวัตถุเป็นสิ้มันไล่หนีห น, น, น, น, ไ น, นีไปหนีไปมือโบดีวาย่สันก็นได้มันสมมุติว่าแล้วก็เลยหนีแล้วก็เลยลวัตบุอะไรก็เลยหู้นจักว่าสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันรูปเป็นขัน เนทนาเป็นขันสัญญาเป็นขันสังขารเป็นขันวิญญาณเป็นขันจำพวกนี้มีสินมัดสินคนละโตละโตกันหลวงพอเข้าใจง่ายสั้นจีว่าสิ่งขันขันดีตักน้ำได้กินหลวพอพูดกันสมมุติให้ฟังขันแท้ก็ตักน้ำโบได้ขันดีเอาไปตักอาหารได้กินขันแท้ตักอาหารกรบโบได้กินขันดีตักเข้าใจบาตให้พากันน่ากินขันที้ไร้โบผัดโบสี ตักคอยผ่ากระโบยักเอาไปกินแล้วผ่ากระเด็นมันขันขี้ลายเดิคนคือการคานใจดีแล้วก็รู้จักใจบูดีมจีรู้จั ก, จ บ, จจกบอกใจคุ้นหมัวมันก็มืดมนอนุนทการอยู่ก็คืคอเมฆไปบังดวงตะเวนนีิสันวะตะเวนนั้นจะจี้ออกแสงสว่างไปใน ก, ก็ทําสร้างเราเมฆบังอยู่เอาเอื้นฟ้าบทบัญญัติพอฟ้าบดตะเวนบทคว้มจริงฟ้าโบได้บทตะเวนโบได้บทเมฆตั้งหากไปบังใจเฮานี่ก็คือการคว้มจริงใจฮอ บ, บูไฮ ใจหาบโกรธโบร่โลงมันมีอันไปกระทบเสือกับเปียกได้กับน้าสีบัณฑิตน้าสีเต็มกระป๋องและคุณนภาพร้อยเปอรเซนเอาไปลงในน้ำบัณฑิตน้ามันแดงเอาผ้าขาวไปย้อมปุ๊บผ้าแดงมืดถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นน้ําดําผ้าดํำมืดเนี่ยข่มโลภข่มโกรธข่มลงโทสะโมหะโลภะขี้เลสตัณหาประธานกับมันเข้าไปยึดปนน่ะเขาโบเห็นเขาจิ้มโกดเต็มที่ เขาบอโกดน้อยไปนะครัโกดเต็มที่แล้วเบิ้งท่อไม่มือนี่บางคนไม่บอกเคยได้ยินนาหมู่เพิ่นกันได้ว่ากูเบิงมึงท่อกปั้นนี่ได้เพิ่ว่าคนทั้งคนก็ได้เบื้งน้อยเข้ามาท่อพวมือได้เพิ่ว่าเบืงน้อยเข้ามาท่อแศษหินห้อยนี่เข้ามาในปันนั่นะบ้านหลวงพวานี่เบงบเหตุได้มึงเนี่ยเพิ่ววเนี่ยเบงบเหตุได้บนใจมันเป็อนนี้หมาเนี่ใจหมาได้เนี่ยเขาเอิกันะบักหมาคันว่าผู้สากันนะครับพูดยังไงไอ้หมา ไปเห็นคนเป็นหมาอลไรแบบ น, นี้มัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นองสันลวงพ่อเห็นอย่างสันผู้อื่นจะเห็นสันแดบุหจักบุกกกหูวจกักอึดบหัวจักเนี่ยพอหูจักเสร็จจอเนี่ยพอื่ว่าคนอจีรู้ดีกว่าเน่พอบ่ได้เนี่ยพอต้อง ร, รู้ตัวเน่พอดีก่นปทุกคนเนี่ยพอจโอ้คนทุกคนถ้าหากว่าซ่อนการจริงๆเราต้องรู้คือกันเนี่ยพอได้รู้อันนี้เริ่มพอกัอนเลยหูจกักโอ้เนี่ยมักผลปฐมาสารผู้ติญสานหลงพ่หจักเลย ในช่วงตอนแรงอั น, นตอนแรงหลวงพ่อก็เดินจมกลมอยู่ประมาณจากสามทุ่มสามทุมกวนนี่แหละอันนี้วอกความจริงเรื่องมรรคเรื่องผลจริงๆอันเนี้ยเพราะว่าเตือนกันทุกคนมาทีนี้ก็ต้องตั้งใจฝังแล้วนําไปปฏิบัตินอนตื้นขึ้นมาหลวงพ่อก็มาลางหน้าแปรงฟันธรรมดาเขานี่แหละก็ออกไปเดินจมกลมไปเดินไปเดินมามีขี้ขิตัวหนึ่งบ้านหลวงพ่อโลขี้ขทางพี่เอื้อเจิ้นตะคับก็ได้ ตัวใหญ่มันแลนผ่านนาหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปจับเอาเทียงไข่ตามไปเพราะว่าย่านมังกลับย่านมังกัรมันมันหกมันตามไปบ่เห็นบ่เห็นหลวงพ่อเอาเทียงไข่ไปตั้งไว้พุนตั้งไวหลวงพ่อก็ับมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาข่ามจริงแล้วสมาธิกำจัด ก, กินเลี้ยงกางเนี่ยรู้จักกับนี่ทีเดียวตอนมือหัวแดงนั้นรู้จักกินเลีอย่างยาตอนกลางคืนนี่หลวงพ่อเน่ยยากที สามตีสี่เี่หลวงพ่อหัวจับกิเลสย่างกลางเลยทันทีโอ้กูไปนั่งกรรมฐานดี อ, อกดีใจสงบนั้นมันกิเลสเด้กูบูมหัวจักกิเลสแต่มาอยู่ในถ้ำในแบบนี้อันนั้นน่ะซื้อว่าอยู่ในถ้ำแในจิตเต้ไฟอยู่กับตำซ่างแล้วคมมืดมาอยู่ในตัวนี้นลพอเปียกมาสันยกไฟเครื่องสีคมืดมาอยู่แขนซอกนี่มาสันนลพอว่าเอาไฟมาข้างนี้มืดมาแล่นมาข้างหลังนี้เอาไฟนํามาข้างหลังนี้มืดม า, มาข้างหนา้าแล่น อ, อยู่ําเหล่านี้เอง หลวงพ่อสมมติเอาซื้อๆท่านเนี่ยแต่ผู้อื่นจิตสมมติไปอย่างไหบุญหัวแจ๊กบัด น, นี้เราเข้าไปในถ้าบัดเนี่ยเราใต้ใยเราโบได้เห็นในหลังถ้าปากถ้ำโบได้เห็นโบได้เห็นรูปทรงของถ้าอ๋ออันดีใจนี่แบบมืดสีขาวเนี่ยทำบุญให้ทานดี อ, อกดีใจในมืดสีขาวอันมาทําความสงบนี่ดีใจอยู่กับมืดสีขาวเนี่ยเดียวกามอารมณ์ยินดีในอารมณ์นั้นเนี่ยหลวงพ่อรู้จักกันสิอ๋อออกอลไรมันออกจากถ้าเลยมันี้ สมถะกรรมฐานมมาติอย่างซีอย่างว่ากรรมฐานคกวิปัสสนามันเป็นมู่เดียวกันแต่ว่าใหญ่บได้บัดนี้กระโบโบให้มันโบให้หลับตาจากเธอโบให้มันสงบเลยบัญจักนางสงบเธอโบเอามาทำข่มเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างกับไล่ข่มมืดนีไปที่บัดนี้ข่มมืดกันนี่ไปเนี่ยให้ว่าหนีออกจากทั้งก็ได้เฮงอย่างอย่างพราว่าเนี่ยเป็นกุญแจลูกเอกอันนี้แหละเป็นทางลัดแท้ๆเป็นทางตรงแท้ๆขึ้นเครื่องบินไปแท้ๆอันเนี่ยโดยที่ว่าโบเก้อเขิน ยังเนี่ยพอวามือเซาเนี่ว่าขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าหากว่าคนขับเครื่องบินโบดีกับบู้จักเครื่องบินเสียเนี่ยก็ขับขึ้นไปเครื่องบินไปหยุดกลางอากาศคนตายได้เหรเพราะแบนโบมีน้ํามันบ่อเข้าเครื่องบินเครื่องบินโบว์ไปก็ตกลงมาขี้นึ่งก็ตายแล้วเนี่ยต้องคนสํานานขับเครื่องบินรู้จักรกวดเครื่องบินเน่ยมีเครื่องยนต์คนไกลอนามบนลเสียน้ำมันมันสะดวกดีบออันใดมันสะดวกดีแล้วก็ตายได้ปลอดภัย คนที่อิสซอนก็คือกันเอาสมมุติซื้ออันเนี้คนที่อิสอนเนี่ยต้องรู้จักว่าเนี่ยคนนั้นพูดอันนั้นเรื่องนั้นคนนั้นพูดอันนั้นเรื่องนั้นต้องรู้จักจริงนี่เขาว่าเออรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงจริงรู้อย่างเสียหลวงพ่อก็เลยรู้จักโอ้กรรมฐ า, านมันเิดขมสงบแบบนั้นสงบแบบนั้นน่ะจี่ยว่าบบรู้จักว่าตัวสงบปัจจันสงบแบบไม่สงบอันนั้นอยากสงบปัจจันพันวายอยากบสงบอันนั้น ว่าอยากสงบอะไรัน่อยากสงบจงได้เป็นั่งอยู่อเป็นนางอยู่ผู้เดียวไม่นช่สงบตายมียังผู้เห็นมาว่าอย่างให้อ่ะคือเอออยากสงบอันไปเข้ามูสังคมมูเนยว่าป๊บดีใจขึ้นมาแล้วมนี้สั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสงบแล้วน่ยมันคือแบบนี้อ่ะโอ้วววววววววววววววันววววววววววววบตีววววมวววีววววววววววววววววววววววววววววววววววววจวววัวนอย่างวววววววววววววววววววววววววูกใจวด้ แต่เนากกลมาว่าโ um, บแ ม, ม่นใจเลยมันแม่นหัวใจเขาจะวางเขาโบหูจักจังว่าเขาจะไปเว้าจังอื่นบุญจังหวะคำพูดมูนีนะ่ะเขาไปเว้ามาจากภาษาอินเดียแล้วบางทีโบได้ไปเว่าวภาษาพระพุทธเจ้าก็ได้เอาละทิศของพวกอื่นมาสอนกนอาบกรได้จังหวะทำเราใดเป็นไปประความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินยัยนั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าศึกษาและไม่น่าปฏิบัติจันหวะ แล้วก็ยังเอามาสอนยืนอย่างอออาพอเอามาสอนพ่อสอนแม่สอนไส อ, นนอสอนน้องสอนเมียเจ้าของก็สอนให้ว่าเธอไปนึกว่าเจ้าของถูกต้องเนี่ยอันนี้แหละจะิ๋วเจ้าของเห็นอนาคต ว, ว่าอันนั้นถูกต้องบายไปสอนขาเจ้ามาแล้วบ้านี้กินไปแก้เขาเจ้า ข, าขายะงี้คนแล้วขาจะติดแล้วบ้านนี้มันเป็นอย่าง น, นี้มาพี่ไอ้ายอย่างพ่อคนหนึ่งพี่ไอ้ายคนละแม่กันคนนั้นรักหลวงพ่อแต่อย่างน้อยหลวงพ่อไปใส่มาใส่เอิญอยู่บนเสากเทือกขาเจ้าบ่มีลูกต้องเอาหลวงพ่อไปอยู่ใกล้ขาเจ้า ให้ว่ายู่นากินนาให้ว่าจไปอย่างพอยังน้อยเลี่ยงกันมาอ่างพอมาบวชนย่าพอรู้จักกลัมาถามไปซ่อนข้าเจ้าบ่เนี่ยซ่อนข้าเจ้ากับเสื้ออ่พอมั้บัดเนี้อย่าพอรู้จักทำมาอันนี้ไปซ่อนข้าเจ้าบ่เอาและบัดเด็มึงเนี่ยว่าไปยังสัญญองศิดาอยพอซพามนี่เบืกอ่ันนั้นบุถูกอันนี้บทูกวะมึงมันสร้างว่าวอยังสัญญองศ์ว่าอย่า่บ่แมนวะอันนั้นกับแมนยู่ว่านเจ้าบุหัจักแต่เทพิกบื่มบุญหัวจักด้านมมึงยังว่าจะบุญหัจักอ่ะด่าอยพอซ้ําโอ๋ มัดปัญญาเฉพาะกระดับหน้ากระข้าเจ้าแล้วขาเจ้าก็มีขุนเราโบ้โฮจักเลยอย่างใดทั้งผัวทั้งเมียตายเลยโบ้โฮจักธรรมะแบบในจักน้อยอันนี้แหละซือว่ามันติดแน่นมันเป็นอุปทานนี่แหละเพรู่นอุปทานมันต่ำมาสิกิเลสตัณหามันเป็นอย่างเหนียวกิเลสเนี่ยยางเหนียวให้ว่ากิเลสเน่เป็นอย่างเหนียวเอาอย่างไหมนทิ้มแต่ปั๊บทางคุณก็อ่อนทางนี้ก็อ่อนติดกันตึ๊บรไปเดียวยวบัดนี้ถ้าหักทางคุณมันแข็ง ให้แข่งโยนใจกันตุบเนที่มันบูติดกันเลยฟงออกไม่ได้หลวงพ่อเข้าใจอย่างสั้นอย่างกินเละที่ว่าเป็นอย่างเหนียวตันหาสิยากวันว่านตันหาว่ายากแต่มันติดกันแล้วเนี่ยอุปทานยึดมั่นถือมากรรมก็เสวยิบแบบนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างสั้นที่ว่าไผซีว่าท่านอาจารย์สร้างเห็นอันนี้เรียกว่าโอ้เตมปฐมสารทุติยสารตัดติยสารแบบนี้ก็เลยหู้จักเรื่องกรรมฐานมันจากจุทะสารแบบนี้เอา หับจะดกกได้เพราะว่าจากตัวทัสสานบเนี่ยรวมกันเขาธาด4ซีขันห้าดินน้ำไฟลมฮัจิวาจันกวาลรวมตัวกันเขาเป็นอันเดียวกันสมมุติบันเนี่ยไม้สามโตหามามาทั้งสี่เดียวให้เป็นหิ้งสามขาบ้านหลวงพอซุกเหมือนวรวมตัดเอาขาหนึ่งสั้นอย่างสองขาโล่งตูงลบไปเดียว วั น, นี้เอาไว้ขาเดียวบนในซองขาบเอาไว้ยิ่งตั้งบัตถุเสียเลยเนี่ยหลวพอ่อยัอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้จากตุทศารมาถึงรวมกันสี่ห้าคนเอาก็ทตั้งซ้างหรืนร้อยคนพันคนก็นกนตามรวมทํางานเอาทำงา น, อ, งานอันนี้ช่วยกันทำทำมาแล้วพอดีได้เวลาตีละครังต้องวางโซเลยทุกคนวางกระดาษพร้อมเพียงกันหมดอันนี้แหละว่าจะตุทสารเปล่พร้อมเพียงเมื่อเป็นอย่างที่ก็เลยรู้จักอโศน คือบาปเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจรู้จักว่าอุสนคือบุญคือดีอยูเนี่ยทางกายวาจาใจมันละลัดมันเนี้ยมนได้วาวเหาเพราะว่าเว้าวเหงาแสดงมาเป็นหลายละเอียดนะั้นว่าหลายเธอแล้วมันเมื่อมาเห็นอันนี้แล้วมันเนี่ยฆ่ า, ช, า, าช่วงปุ๊บเลยพันทีเลยเมื่อมาฆ่าช่วงปุ๊บแล้วหลวงพ่อวานเอาเสือกตัดปุ๊บมันเสียมาตัดเสื้อเสือกมันเสด็จมาเข้าที่โลบเดียบมันคืนมาเออมาเสด็จก็ได้มันหดอมตะจิดอยู่เสานี้ ขณะกับมันหดไปติดยึสนั่นมันขาดอายสนะมดกิเลสมืดย่างแล้วแบบนี้โอ้เมันเรื่องมันอย่างเหนียวไหมอันนี้นี่เด้แตมันเป็นเข้าใจงมันจืดมาจนโตเนี่ยตอนนี้ตอนเต้าประมาณตีห้านี่แหละหลวงพ่อเข้าใจเอามือประจับสมมุติว่าจับผู้น้อยเอามือแปะจะเนี่ยเนื้อหนังมันแดงสิเอามือไปแปะมันจืดรถมาเดียวโอ้โตนโตเขามันก็จืดจริงๆนี่นะคล้ายๆคือมันคือยองไฟคือสําลีเนี่ย จำรีเนี่ยเอาไปใส่น้ำมันอยู่บีบออกมุดจำรีเนี่ยมันบุกินน้ำหรือผ้าเหนร้อนก็คือกันเอาไปสุบน้ำเนื้อมันสีบกินน้ำผ้าเหนร้อนกี่กันแม่นบอกผ้าเหนร้อนบนบุกสุบน้ำอ๋อมันหมดยางมันเป็นซีดเนาะเขาใจสั้นนี่แหละสภาพจัตุทศสารมันรู้จักอันนี้รวมกันเหมือนเราเลิกกันเลิกกันเลยอาจารยแล้วก็เลยรู้จักโอ้ภาพพระเจ้าตัดผมครั้งเดียวไม่ตัดอันนี้บมไม่ได้ตัดบันดอกมันเป็นเอ้งวะ ก็เลยยกมือไหว้ตัวเองได้เลยนะพ่ออ๋อเพียงแต่ให้ตั้งสีเบิ้งจิตเบิ้งใจนี่สังารถเป็นตังสีนอว่าแต่เนี่ยพาะว่า่าทุกเกิดมาในเีวิตนี้มันก็เคยเป็นอย่างที่จากเือย่างไปยางมามันึกบ่มีอย่างนด้ฟังให้มันดีย่างไปยางมาบ่มีอย่างก็าทุกก็เลยเข้าใจว่าอาการเกิดดับภาว่าพลิกมือขึ้นเป็นเกิดเป็นดับพลิกตาเป็นเกิดเป็นดับหายใจเป็นเกิดเป็นดับ ความคิดเป็นเคยเป็นดักอันนี้โมแมนนี่นี่ว่าสมมติบัญญตัติปรามัดบัญญตัติอัฐะบัญญัติอริยบัญญตัติมันอยู่คุณนี่มันลึ ก, ล, กลึกคุณถักกรมเดียวกันนี่เว้าสงบกับว่ากรมเดียวกันนี้อาการกระดับกับว่ากรมเดียวกันนี้มันว่าครมเดียวกันได้เหามันเป็นสรรันเป็นลึกเป็นสรรันเป็นลึกไ ป, รรปอปย่างซันเดียวเฮ็ดแท้ๆนี่คำว่าเฮ็ดก็ะเปอวสร้างนั่นละ่ะเฮ็ดแท้ๆในหุ่นจักทุกคนบ่ยกเว้นที่ว่าบนแม่นหุ่จักและสงวนลิคติ์บุได้แล้วนี่ขันผู้ใดมีศรัทธาจริงจรรู อย่างที่เอาคุณอเนกเมลูละอย่าสูรู้ผู้อื่นเนี่ ย, ย, ยห้ามบไดาเลยวัดแต่ขอยกัเจ้ามีศรัทธาจริงๆถ้าไม่มีศรัทธาจริงจริงสี่บรูษนี่มันเป็ น, ย น, ยนอย่างไนเรื่องกระทําอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าตั้งใจถามที่เป็นเรียนรู้ที่สี่บุรีนั่นรู้อันนี้คือคาดคิดอบไดายคณเนออบไดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นยยอย่างสี่บุรุษหยับพอจงว่ากา พระพุทธเจ้าหมาเนี่บนแม่นด้เธอเบาเยอะนี่การเรื่องของพระพุทธเจ้าเบาอันบนเรื่องของเบาเนี่จังหวะขนรููจริงลู่จริงๆรมู้ดทางขนลู่จริงๆเพราะมันมีคือการมัดถ้าหากบนลู่เดี๋ยวนี้นะจวนจะตายชวนจะหมดลมหายใจ้วต้องแน่นอนที่สุดเนี่ยเรียกว่าสัจจะแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปลผ่ยนียว่าสัจจะธรรมเนี่ยเป็นว่าจยางนั้นเนี่ยรู้อย่างนี้เรีว่าสัจจะแท้สัจจะแปลความจริงเป็นว่าอยงนั้นแล้วเอื้นสัจจะธรรมสัจจะแปลความจริง สัจธรรมสัจเป็นความจริงของจีวะเสนวชนวานะคนนี้บุปผิดสัตว์ชนวา่าอันนั้นเรื่องนึงได้หนึ่งคือเขาไปถือศีลอย่างนั้นบุปผิดสัตว์ตัวอันนี้สัตว์อันนึงได้ไอันนี้อันยาพรวานี่เป็นสัตว์อันนึงสัจจะคนละอันก็นเลยอันว่าสัจจะนี่มันมันบุบเป็นจีวะอันเดียวนี่ได้ยังว่าให้ว่าทุกคนเนี่ยประสบอันนี้มู้ท่านยังบอกให้ได้รู้เธอเดี๋ยวนี้นี่ก็จำสางแต่ว่าจวนจะมดลมหายใจนล่วต้องแน่นอนที่สุดเราต้องให้รู้ตั้งแต่มื้อนี้ รู้เดียวนี้แหีงดีรู้อย่างคืเงนเาียบพอวานี้แหีงดีแล้วรู้มาหลายปีแล้วเงพอ ร, รู้มาหลายปีแล้วไอศิวะกระตันฟานแล้ววาวันกระตานเงียพอสบายใจแล้วไอศิว่าโอ้บอกสัตว์ในรัศมีว่ากัญญากเญ้าแล้วสมมติว่าบักตะนรกอะไนั่นก็ว่ากัญจากัญญาแล้วเรื่องสมมุตินี่ของจริงมันเป็นอะไรนั่นใช่ไหมมั่นใจนี่ว่าสมาธิถี่แท้เพราะว่าทุกคนที่ไปหันเนี่ธรรมจิบนเป็นสมาธินี่แหละทางเอกทางตรงกลางอะแต่เ่าเ ห, ห่าวบุหิยะห่าว่าวซื้อ มาทางเอกและทางสายเดียวนะทางคพลุกนะบ่มีสองเส้นเอาวอลซื้อ อ, อันนั้นตำราเว้าได้นึ่งย่าไปเอามาเว้าได้ตำราเฮตังซีนี่แหละอันนี้แหละทางเอกแท้ๆนี่นี่รู้สึกจังซีมันค่อนยังไงนี่เฮตังซีแล้วบันคิดปุ๊บรู้อย่าไปกับคุมคิดนี่แมวตัวใหญ่แล้วบบบ น, นี้หนูตัวใหญ่มาปุ๊บจับปับตายหนูออกมาจับปุ๊บตายกับที่เลยเสียเ จ, จ้าบอจ้าคุคิดมันกับซันเข้าซันเข้ า, ขากับ ขาดไปเลย น, นะบุ๊บีเรื่องยังค่วมจริงเป็นทางซันมันขาดมันเองบอุ๊บเมจิไปจับมันได้ผมคิดนี่เบื้องมันบูได้เลยนี่แหละพระบุตรเจ้าตัดสูพ่พอกการทำทางจิตทางใจจะไปเสื้อยังได้ว่าการทำทางที่ทางใจนะเว้าวซื่อนี่นะคนเว้ารู้แล้วมันต้องรู้จักวิธีจริงๆทีมันต้องรู้จักได้บุ๊ม่มจิว่าเว้าการทำทางจิตทางใจแล้วให้จังซันเนอาอันํา้นเปผนควานะมวาวซื่อได้หนึ่งบุ๊เมจิของจริงเงียบพอกล้าแท้ๆเรื่องนี้ ก้าวจริงก็บ่ญมีอาชีพเปรียบเทบอะไรมาเดี๋ยวไปมาใครตื่มากกันเลยมาเอาเลยก็ได้จับมือกันไว้เอากําหนดถ้าหากว่ามู่หนูมู่คุณจะมีเงินเดือนพันบาทนั่นสิเอามาทําถึงสาปีเน่ยพอจีคลิกย่อนหลังให้เลยเงินเดือนเดือนละพันบาทเดืนละพันบาทจีคือกให้จริงๆแต่บุมีเขาจีไปหามาใครถ้าหากว่ามู่หนูลูกแล้วจีให้สั่งได้แบบเนี้ยเอาว่าบางทีมันต้องเอากันทังสี่แม่ลงขาพนันกันเล่นเนี่ยการพนันคันตโตมันต้องเอาฝันนี่แหละคนจริงมันต้องสู้จริงอืม จริงให้หลงพ่อคิดให้วันลับสิบาทสิบาทสุ้มือนี่ก็เอาแต่ว่าให้เป็นคนจริงแท้ๆเนี่ยเอาสาปีคิดให้รถ เ, เนียขันเพราะสามปีแล้วเอาเงินหลพ่อไปแล้วขันหู้ได้กี่ตังใดบนเนี่ยหลวต้องคิดเอาดอกแล้วบนเนี่ยมิแนวๆมันต้องเป็นงานสันเ น, เนี่ยประสบทุกคนเรื่องเนี้ยแต่บ่ประสบกับหู้จากรถไปเดียวไม่เป็นงางสันเรื่องนี้แล้วอาการเกิดดับคำาอาการเกิดดับเนี่ยแปลว่ามันคาด ยังเป็นอาการเกิดดับแท้อันมันคิดเรื่องเซนบูแมนอาการเกิดดับเหมกอนแบ่ยูของเว้ามันขาดปุ๊บออกจากการพูดอะเกิดดับนี่ว่าผู้ใดมีกิเลสตายแล้วเกิดเติมผู้ใดบูมีกิเลสตายแล้วโบเกิดตั้งเป็นวันนั่นเป็นนิพานไปเลยเป็นวันเมาเอาซื้อได้ยังไงนะมันขาดจากอันนี้ซื้อนี่ว่ามันขาดแล้วมันจะเอายังมาต่อมันเพิ่งกันยาวได้อีกเติมพอแม่คูบาจานวะพระเดียบุคคลนอนกับ เพตรงกันข้าวเนี่เอาเส้นใหม่นี่กาดอะไซื้อนี่ก็ได้โยก็ได้เขาเหมือนบ่ญมีมีอย่างจีว่ายังคือทรอมไม้พรอนฟืนนี่จีว่ายังไหนคนว่ายยังซันซื้อนี่เพราะมันคาดออกจากกันแต่มันจืดไปหมดซื้อนี่นะแล้วคนมันบูมขึ้จอยางว่าอันนี้นี่มีรถศาสตร์ของทีวีเศษที่สุดซื้อบรได้นะมีมันจากมื่นล้านก็ซื้อบรได้นะอันนี้อันนี้แหละคนว่าคขวมเป็นเทวดาก็ได้ควมเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้ควมเป็นพระดิยาบุคคลก็ได้จีวา่ายังไหนได้มืดเพราะไเห็นสิ่งนี้แหละ สิ่งนี้เนี่ยทุกคนต้องประจนคนที่ตายก็ต้องหมดอันนี้สักคนถ้าโบหมดอันนี้อันนี้โบขาดตายโบได้จะว่าทุกคนต้องประสบอันนี้จะว่าขันเหือแตกกลางวางเน่หมู่แต่เฮาอ่ะโบมีกําลังนะจมปุ้ยลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาบบเห็นหัวแล้วคือมะพร้าดิบนี่นะปลกลกอยู่กว่าปนี้แล้วแล้วก็แสดงวาววางนั่นคือศรัทธาน้อยเฮ็ดน้อยบบอยากเฮ็ดหลายประเทศแต่เจ็บแก้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเมือ่อยหายเนี่ยเอาแต่อันนั้นมาอ้างแล้วแบบ น, นี้มันก็ะโจมยวงสั้นแล้วแบบ น, นี้ บันเนี้คนไปเหือแตกกลางวางบันเนี้ยแตกกลางนีะมีกําลังแรงจมปุ้งไปแล้วบันนี้ยันยังแหงมขโอขึ้นมาเห็นขอนี่โอ้แต่ฟังอย่บนลอยไปแล้วบันเนี้ยที่ท่านหอดบนห้อยน้องมือกระตายคือเข้าในี่นี่ไงเดีแต่ว่าแขนเดี๋ยน้อยนึงพูนเนี่ยพอได้เห็นต่ฟังไว้แล้วผู้ที่สองครับผู้ที่สามเข้าไปเนี่ยเหือแตกปุ้บจมลงไปเต็นหน้าพอเพียงขอนี่บันเนี้ยบัไดบัไดท่วมหัวได้น้าเพียงขอมองเห็นโนย่างไปย่างบัไดได้บันเนี้มันต้องลอยได้บันนี้ยนี่นี่ สมมุติทีซื้ออันนี้บัญ น, นี้พูดนึงเหงื่อแตกกลาง ว, างวังไม่อึดิมแต่น้า ม, มันตื้นขอเพียงแอ๋อในยางสบายได้พูดนี่น้ำเพียงขอกับน้ําเพียงอึกในพุธอาทิตย์สบายเขากันลามึงรู้ถึงพุธอาทิตสบายเขากันลามึงรู้พูดน้ําเพียงแอ๋อิตสบายคนบัวขาวเออไม่จช่แล้วก็เดินไปคันนั้นไหลแหงบัญชีโบยู่ได้อึดิมต้องลอยอึดิ่มได้ผู้นี้ก็ได้เนี่ยเป็นงางสันอย่าบัวเห็ดเนี่ยขี้หิบอยู่ใส่น้ำหลักต่ออยู่ใสบัวเห็ดในน้ำท่านะ่ะ นี่ไงเป็นอะตเปรียเทียให้ฝังซื่อๆ อ, อันนี้บัดนี้ผู้นึงถ่ายเหือไปห้อ จ, จิจอดได้เลยแตกปุ๊ลื่จมลงไปเขาก็จบจะแคงจขาเขานี้แล้วยางไปได้สบายเห็นขี้หินซ้ำยางวิดนอยู่แต่ฟังพุ่นสบายมองเห็นน้านม่ติดให้มันเป็นตา น, นันพุ่นเลยหันผู้เก่งกว่านั้งกะโอ้ยใบยเบิงอยู่แต่ฟังพุ่นลอยน้ามาพุ่เราได้ะแหงเก่งนวพุ่นดีมากศรัทธาของเฮามีมัดทุกคน ย่าไปว่ามึดยุคบมกสมัยบ่แมนบ่หมดไปจากเธอถ้าหากมีคนดีเมื่อใดมักผลนิพานต้องมีอยู่อย่างนั้นถ้าหากมีคนดีเมื่อใดากการปฏิบัติกระบรลาสมัยถ้าปฏิบัติถูกกับพันปฏิบัติบูบถูก 100, 000, 000, กับลอยวันพันธีกําสร้างแล้วคงเฮ็ุเป็นอย่งอืน่นมันจีหู้บ่บูรุษเหตุแตมันจีหูสมบุญเขาจีย่างไปหาสะพานพระปินเก้าหรือสะพานกรุงธนเนี่ยสะพานกรุงธนอยู่ทางนี้ใช่ไหมเนี่ยขันย่างไปทางพิจิหอดว่าสะานกรุงธน ล อ, องมึงรู้ที่ถึงไหมไม่ถึ ง, ไ, ถงไปจากสิบปีที่ถึงไห ม, ไมร้อยปีถึงไหมแน่เนี่ยนะเนี่ยนะเขาใจร้อนปีขันไปได้กี่จากปีอ่าลอ ง, ม, องม่ถึงวู้แน่อันนี้แหละการทํำจีวาทําบทุกเรื่องเลยจีวาทำอย่างไหนกระทุกเหมือนกันทุกอยู่ผมพูด น, นะน่ะอข้าขากันโบได้เพราะว่ามักอย่างไหนก็นต้องเหตุอย่างนั้นหลวงพอ่อโบขานไส่ทั้งเมดแมอยูให้ทันั้นก็ได้ได้เคือการนั้นแล้วที่ไนขันเขาอย่างไรเขามักอย่างนั้นก็ต้องเหตุอย่างสันที่ข้านเขาจีเครียดซ้ําเขาจีทุกหลาย ให้เขาทุกไปเอราะพันกายังดีอยู่หน่อยนึงนั่นเป็นอย่างสั้นอันนี้คือการถ้าเหตุอย่างนี้แล้วรับรองบว่าไม่พลาดเลยให้มันรู้สึกคอนเทสต์ืีอบรู้สึกกับโบแมนอีกซึมได้เนี่ยรู้จริงจริงคันโบรู้จริงบ่ได้นี่ยอยากซื่อโบลูสหง่ายมืออันนี้คว้ามือนี้กับโบแมนอีกซึอมันรู้อันนี้โบแมนโบแมนสัญญาอันนั้นเน๊ะนางทีรู้คว้ามืก็รู้ขมรู้เนี่ยรู้อันขมรู้อันนั้นผมที่ยังไม่สัญญาอันนี้เลยสัญญาอันนี้เกี่ยวกจำได้พอดีอย่างที่่ออยาาพวน เร <Res> ื่องรูปเรื <S s ่องนามก็ร e ู้จักมันบ้ลงบ้ลืมจับตาจับหูจับตาจับใส่โบ้ลงบ้ลืมเรื่องโทรศัพทโมหันโลภะก็โบ้ลงโบ้ลืมเนี่ยจิวะรู้แจ้งรู้จริงรู้และสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นวายอะไรเรื่องสิ่งขันสมาธิขันก็คือการปัญญาขันหลวงพ่อว่ามาเนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วโบ้เคยหลงจักเถื่อแต่สิอื่นที่อย่างพอหลงเอาของไว้บนอื่นหลงพ่อหลงเรื่องจินย่างสายดได้หลวงพ่อรับรองลอยถึงลอยบ่เดียวแม้สิ แค่นคนนึงกับบหลงทีเดียวเนี่พอเบิ่งบนที่เคเห็นอยู่หนทางไปแต่บ่ได้เห็นหนานี้มันเป็นทางอยู่ที่ว่าจะในคาร์ บ, บูค า, าไปถูเนี่เข้าไปถึงอาการเกิดดับอาการเกิดดับเนี่ยซึ่ว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากบ่รู้สภาพอาการเกิดดับอันนี้ชีวิตเป็นหมันีวิตเป็นโม่ะควรมนคนนันะ่นอ่ะบ่มีบ่มีประโยชน์นี่ยังคนหมนคนเกิดมาเมื่อเดียวนื่องบนเนี่ยมารู้มาเห็นมาเข้าใจสภาพอันนี้ ชีวิตดีกรออีตาเกิดมาร้อยวันทันปีนะคนเกิดมาเมื่อเดียวมู่เจ้าเห็นบอสย่ า, างไปเป็นบอย่ า, างบอเป็นนอนแ บ, บ่เบาอยู่แม่อยากกินข้าวกับผู้อื่นอุ้มให้กินแสดงว่าบัแมนอันรกันเนี่ยมู่เจ้านี่แหละอ๋อวายนาิกรไดยัพพ่อเอินว่าภาษาบัานยพ่อนี่ยมู่ท่านนะมู่คุณนี่แหละอันนี้กรได้มาฟังอยาพพ่อว่าอยู่เดียวนี้เนี่ยเกิดมีความเข้าใจสว่างขึ้นไปได้จะอันนี้แหละเกิดมื่อนั้นวันนั้นเพราะยอดทาบุญวันเกิดเพิ่งว่ามันเป็นบุญบัแมนเกิดจากทองแม่แล้วไปทําบุญอันนั้นก็เรื่องงนึง ให้เขาเข้าใจอย่างที่ทําบุญมันเกิดเน่มันเกิดแล้วเกิดเห็นแจ้งเกิดดูจริงเกิดสัมผัสแนมเนี่ยมันเป็นบุญทุกวันทุกวันพันวันจังทัันแในบันี้ทึกไปเกิดวันนั้นทําบุญอก็ดีอยู่อันนั้นก็ดนบุตรเสร็มเป็นบุญดีได้ดีอยู่แต่มันโบแมนอันนั้นนะเพื่อว่าแน่ใส่ก้นไปทึ่งขมงตาเสนมณานาหายตกยุทธิ์เหงาไปไหมวันพันวันบ้านเน่ยพรวาหนังสือเสียสวัเดิ์นวันจังทัันจิ้ะทําบุญมันเกิดกระแมนโออายุกระแมนบันเนีย มันเป็นอย่า ง, งนั้นนี่ข้มเดียวกันทั้งหมดจึงว่าคนบวชมาร้อยปีแบบ น, นี้ร้อยพัรษาหากอย่างบูรูบร่บวเห็นอันนี้บูรู่สภาพอาการเกิดดับอันนี้การบวชผู้ท่านชีวิตของผู้ท่านก็เป็นโมฆะเป็นหมัคือกันบัด น, นี้ผู้บวชมื้อเดียวนี่เออผู้นี้จะแข็งเย็นพอผู้ใหญ่ในอย่งบวชนี่บวชไปมื้อเดียวหนึ่งบัดเนี่ยเห็นแจ้งรู้จริงสภาพอันเนี้ดีกว่าผู้บวชร้อยปีพุ่นพุ่นว่าคุณค่าอายุซื้อของเขานี่นะ จังว่าให้หูจักสมมุติจริงๆสมมุติอันนั้นเขาก็จะไปทําลายสมมุติเอาไว้หันแร่เรือสมมุติก็ได้ผู้ใดบ่มีที่พึ่งเขาจะเพิ่งสมมติเป็นสกปรผู้เขามีที่พึ่งไม่ใชไปเพิ่งให้หยั่งของมันบ่จริงบ่ม จ, จังอันใดอ่ะมันสมมุติเอาที่ามก็ได้เนี่ยพ่อแม่เขาตายแล้วแบบนี้ไปเห็นคนได้งานมาก็คืออีพ่อกูเด้คืออีแม่กูเด้ไปจับบ่เม่นพ่อแม่แมขแมขเข า, า, าแทนบ่เม่อ น, นอันนี้เนี่ยเพียงว่าคือซื่อเฮ็ดสักว่าคือซื่อนี่นะบ่เม่นของจริงนี่นะ พ่อแม่เาแท้เขาไปจับปุ๊สไปดิอีพ่อทแท้อีแม่ทแท้เปนนี้ยเขายําเมากรรมยานเสร็เนอะหกรรมไว้ใจได้เสร็จวะอันนี้เพราะทีคือพ่อคือแม่เาทแท้เนี่ยนะมันจะไปไว้ใจได้บ่มันก็ต้องอย่างสีแม่ปฏิบัติธรรมะมันจะเป็นคนกล้าทแท้เนี่ยคนกล้าเทแท้มันจึงกล้าได้คนรู้เทแท้มันต้องรู้ได้เนี่ยมันเป็นอย่างไร่สามารถสอนได้เมื่อรู้อันนี้แหละหลวพ่อจึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวก็อันนี้พระพุทธเจ้าอาการกระดับกับป็นอันนี้ อพระพุทธเจ้าเหาะกับเม่นอันนี้เม่นอันเดียวมัดเบาจุดเดียดนี่หมดว่ามือเตากระถามว่าพระองค์ใดเข้าสานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจิตตายกับเข้าสานไปเอาเว่าไปยังตังก์ฮาเวาคนเขาเพิ่นสอนให้รู้จักวิธีเฮ็ดันทันซื่อดีนะมู่เฮานี่กระเฮียงกระจิมหุจักคือกันนี่นะคันเฮ็ดเป็นแล้วนะอันนี้เหาะหักโบเฮ็ดนำเพิ่นกลับไปเห็นกระเดยกมือเอาบุญแล้วได้แล้วเนี่ยเจ้าจีบอกให้ฝังเฮ็ดจีสึกกระบยจักฝังจีวายยังใด มาเอาบม น, ฟ, บ น, บน ฟ, ฟังเทศ่คนอฟ้บบาบีเรียกในบ้านเพ่เนี่ยฟ้าฟังเทศนะครบได้บอกให้ทำกรรมฐ า, านเนี่ยยกมือแหงๆแล้วนะเฮ็ดจันทิกกรไดดอกครับเฮ็ดจันทิกกรไดดอกหนูเนี่ยเอางังแนแมคนมันชอบอย่างไดมันต้องเฮ็ดอยงสัน้นหนึ่งวาเฮ็ดบัไดครับผมเฮ็ดแหงๆได้ไปะ เ, เนี่ยเฮ็ดจันทิกกรหู้คือกันนะครับเอาแล้วเออแม่แล้วหู้คือกันนะ้ั้งแล้วซื่อๆนี่จีวา่ายังไงนี่แหละคว่าวยบอยากกินญนี่นยเสสิคไม่ขอหักก็ตามเถอะนวนันันี้มันบัอยากกินนี่เนี่ยจีว่ายัง ที่เอาหญ้าดีๆมาใส่ปากมากระโบเอานี่นะอันนี้ว่าภาษาบ้านยพ้ออันเนี้ยยพ้อวางกันยิ่ว่าเขามาเนี่ยวาคือากันนนั้นมอบหัวเข้ามาที่มาเป็นสิทเพิ่นมอบเนื้อมอบกายเข้ามาที่มาเป็นสิทเพิ่นให้เพิ่นบอกเพิ่นสอนตบหูตีตากครมันได้แต่เพิ่นบุญตบดอกวาสิซื่อนี่เลยอันนั้นให้เพิ่นบอกเพิ่นสอนเสื้อฟังปฏิบัติลองเบิ้งคันปฏิบัติโ บ, บ, บ, บหูแล้วก็ด่าก็ได้ไดนเนี่ยนะท่านเนี่ยโกหกว่าวสนะ โม่มีของจริงนี่มาสอนให้สันเฮทําไมอย่างนี้ว่าเพ่นกระไดดี่นี่ยแมนบ่ครับกาไดบ่ครับเอออย่างสันน่ยไม่อย่างสินเนเวออันนีต้องขันบอกให้เฮโดยจกลเนาะเจ็บขาหนูว่าเพือว่าเจ็บขาผมมาเพว่าเอ้ขามันเจ็บแล้วกระโตรงยางแล้วกี่ว่าจังไขันเฮ็อยงว่ที่โอ้ยมือแขนมือ่าไลนะครับกับมือแล้วกับบไดเฮทแล้วนั่นยังหายใจได้อยู่อยงเหนตายทีน่ะที่ไปซามม่ยอขูมือนี่มือมันกระจตายโเมือมันกระจตายเฮดทํามันเจนตายพื่นหลงมึงเป็นยังเนีว่าซื้อเนี่ นี่อย่างพกาดเลยท่า ว, ว่าคนไปปฏิบัติธรรมะนากันพะระยี่สิบสามลูกโยมห้าคนเป็นผู้หยิงสามคนเป็นผู้ตายสองคนลูกโบกันทั้งหมดประเดี๋ยวเพราะความเฮ็บคือกันศรัท ธ, ธาโบกันศรัท ธ, ธามันต้องเป็นศรัท ธ, ธาจริงๆอย่าเป็นสัทธาย์แม่อย่าเป็นสัตว์ใจแม่อย่าเป็นศรัท ธ, ธาหัวเต้าแมพ้นออกมาจะแท้เนี่ย่บต้องกลัวมันเลยนี่อย่างกระทํจ้าๆต่อสู้มันลดทีเดียวสิเนี่ยอย่างสีแมนเป็นว่า อันนี้พูดภาษาธรรมะจริงจริงมู่เพิ่นจิพบปะจุกคนย่าสู้ไปสงสัยนะว่าโบเป็นดอกเฮาฉันโบเป็นเดี๋ยวนี้ก็สังบาดจิตตายได้เป็นแท้ๆดีนะจําให้มันดีแล้วหลวงพ่อผีบ้าอย่างว่ามาจิตตายต้องประสบอันนี้แท้ๆเนาฉันเเขาจีนยางข้ามสะพานไปเนี่ยจิไปจกเหวขันบอกด้วยจีนยางไปซื้อนี้ด้วยจีกระโดดข้ามออกก็ได้ดีนะเขาจีข้ามของนีนะคันถ้าคุณรู้จักกับกระโดดข้ามก็ได้นีนะเนี่ยคนรู้จักกับ สะพานนั้นมันโดกแบบนี้ง่าไปหักโป๊ะลงหันไปเปียกลงหันเ้นวัดอย่งยังมาจีดำมืดไปหรือที่มืนตาไปหรือที่ใต้ไฟไปหนกเพราะว่าสมุนบินคมชีว์วาได้แบบนี้จึงว่าทุกคนต้องประสบจริงๆรับรองว่าคนไทยก็ต้องประสบเพราะมันจะตายแต่แทนนี้เคยเห็นคนโบ้ตายบ่หนูเคยเห็นบ่ครับคนโบ้ตายบ้านที่บ้านเมืองนี้เขาเจริญมากๆเนี่ยมีตายบ่ครับเผาก็ได้ไปเหตุเหมือนบ่เนาะ ผู้ใด ย, ยู่นี้เคยได้ไปเมืองนอกจากคนบอมาโมโนเคยได้ไปบอ mm hmm. เคยไปไปบ้า ไ, ไปประเทศใด้เดียหะ mm hmm. เขาตายเป็นบอสเนี่ย mm hmm. จึงว่ากัจจะแท้ๆดีนาะตายไปนในแท้ดีนาะจึงว่าอย่างบุอยาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าได้สอนได้หมดทุกคนทีเดียวมาจิตตายได้ต้องประสบอันนี้จริงๆถ้าบ่ประสบอันนี้บุมีเนี่เเรียก ว, ว่าสัจจะแผลกลมจริง แล้วหาปฏิบัติก็จะเห็นอันนี้ที่ว่สัจจะพระผูมจริงเปลี่ยนแปลงไปบูได้เนี่ยพ่อว่าคูมจริงนี่ตัดสินใจเลยังว่ามูแตงออกมาปฏิบัติเนี่ตั้งแต่เมื่อวันที่สามสิบเริ่มมาทซื้อวันที่สามสิบก็ลงมือทํากันแล้วเฮกแข็งแรงลงเพรเบิ่งก็ได้วันที่หนึ่งมกรวาลเนี่ยแข็งแรงเมื่อีนวันที่สองก็รู้สึกว่าเหงื่อออกก็มีบางคนยินเปียกก็มีบางคนก็บอกโอยเต็มทีแล้วเอ้าเต็มที่กระทนไปมืออื่นีนวันที่สมเนี่ยมืออื่นเอาเต็มที่มืออื่นในวัันนเสารม่บบค อเอาเต็มที่เมื่ออื่นเนี่ยมือนี่ก็เอาเต็มที่ตะกอนลงไม่ลงมือกะยะ็ย่าเห็นแก้ขมเน็ดเนื่ยเมล่ามือฮือนั้นเป็นบันทิตเอามาเต็มที่ตึมสองสามบันทิดขมรู้เรื่องรูปน้ำเนี่ยเขจะคอยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้ น, น, นให้รู้จริงๆรูปน้าเนี่ยถ้าหากโบลูรูปน้าแล้วมันจะลืมหลักมันมันจะลืมต้นมันลืมสูตรมันไว้ยังไงถ้าหากว่าหลงเราก็เสียหลักเลยใช่ว่าเป็นอย่างอัดกลับเข้ามาหารูปน้ำนี่ มันคิดไปแต่กลับให้มาควมรู้สึกอันนี้เป็นรูปเนี่ยเป็นรูปเป็นนามรูปทำน้ำอัวเองนี่ทำมาควมคิดมืนสมมติเห็นเป็นตัวเป็นโตมันคิดแล้วปัดทิ้งไปเลยบ่ได้ปัดมันดาขันมารู้อันนี้มันไปผู้เดียวมันเดี่วทุกต้องกําหนดรู้สมัยกำหนดตัวนี้สมุทัยต้องละโตคิดนั่นแหละเป็นจุดสมุทัยอ่ะสมุทัยเป็นโตทุกเพิ่นว่าสมุทัยทําให้ทุกเกิดเพิ่นว่าทันทุกต้องกําหนดรู้สมัยสมุทัยต้องละทุกสมุทัยได้ลดมากเพิ่นว่าตำลาเพิ่นวานั่น ตัวสมไทยทําให้ทุกข์เกิดกับตัคิดเด่นีๆคิดทอดผู้หันคิดฟังผู้นี้คิดอยากได้อันนั้นคิดอยากได้อันนี้เห็นหนังสือมาแล้วกูจะไปทํางานห้างร้านบริษัทอันไหนจะไปสมัครตารวจหรือจะไปสมัครทหารหรือจะสมัครคนไหนมันคิดอันนั้นน่ะคุณเอิญสมไทยทําให้ทุกข์เกิดได่นๆนะบางคนคิดไปคิดมานอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าอันโรคประสาทได้กพวกนี้เาเป็นบ้าเป็นไอย่างเงี้นก็พราะบู้เขาอยากขมคิดอันนี้แหละบัดนี้มารู้อันนี้ปั๊บมันหยุดเลยผมคิดจ้ะ พราะน่ะมักต้องเจริญหมด่ลมักก็แปลว่าเฮ็ดเขาเสนอก็เจริญก็แปลว่าเฮ็ดท่านมามากๆาก็คใยรๆ ค, ๆ ค, คือเอาปุ๋ยไปเติต้นไม้นี่นะเอาน้าไปรดมันก็งามใบเติมต้นไม้กันเลคนเขาเฮ็ดอันนี้กรรมาการรูดาาจากนายเสนอขันบอเฮ็ดโอยมไหรเขาจะนกันถวาอีกซมละเนี่เป็นนีม่มักถ้ามันเจริลเฮ็ดบ่อยๆเฮบเสานี่นะโบต้องไปลมไปคุยกันอย่างขันไปคุยกันนะจักจีไปยังเมื่อ น, นั้นเฮ็ดอันใดเพอออกนอกตัวเขาไปแล้วได้บนี้ แม่ครูบาอาจารย์ผู้ถามเขาก็คือกันี่ออนอกตัวเขาไปได้แบบนี้ไม่ได้กับแม่หนูบ้านอยู่ที่ไดนเพื่นนี่ถามไปทั้งตะ ก, กมีเลยมาเดียวทงานอันไดเพื่อนเนี่ยมันถามออกนอกตัวเขาเมื่อันนี้แม่งใครที่ว่าจะกรตัมซางโบหูยอนขามือนกันการถามสป็นโบหูถานไปเป็นยังได้หัวจกักไหมคนิกเด็กยุคไหนมันเป็นรูปเป็นนามไม่จดกอันนี้แท้วาก็หาตัวเองอันนี้เป็นอัสารายมักต้องจเอจริญเจริญให้มากขึ้นเนี่เนี่ยรถทำให้แจ๊กก็ที่แจ๊กคืออย่างเฉพาะวานี่เลย พระพุทธเจ้าบอกเลยเนี่ยสัตทั้งหลายเราพูดเป็นตาคักไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามยามาตาทักพุธนี้ก็จะรู้ก็จะเห็นก็จะเป็น <c oughs> จะมียามาตาคตนี้เนี่ยมีคือกนันนินาบุษจิบวา่ามีแล้วก็รู้คือกนันนะินาจ่วธรรมะแท้คือซึ่งเดียวกันเท่า น, นั้นที่ซื่อ น, นี่นาะเขาบ่รู้เขาบ่เห็นกขาบ่เป็นคือกันแล้วเขาบ่ให็คือเพลนเดะก็คิดว่าสมควรแล้วเมื่อเนี่ย มีภาคบ้านหลวงพ่อหลายเพราะว่าหลวงพ่อมันเป็นคนเมืองเลยเว่าภาษานี่หลวงพ่อว่าคขะก็ยิให้หลวงพ่อเว้าเสียงภาษาการเนี่ยลงต้นลงปลายเมิดหลวงพ่อก็เลยเพราะหลวงพ่อไป็กลุ่มที่เสี่ยงอยู่ทีซีเดียเนี้ยแล้วก็มั่นฟังเอาฟังภาษาเมืองเลยบุคุณก็มั่นฟังเอาเพราะหลวงพ่อเป็นคนเมืองเลยก็ต้องว่าภาษาเมืองเลยที่ธรรมะมู่ท่านเป็นคนภาคกลางกรุงเทพก็ต้องหัดฟังภาษาเมืองเลยที่ยังคนอินเดียเนี่ยก็ต้องหัดภาษาเมืองเลยที่อย่าจิงหงจัก เขาที่ไปปฏิบัตินําพระพุทธเจ้าคนอินเดียก็ต้องหัดฟังนํำเพื่นที่เพื่นวาจะอย่างขุจักที่อย่างจริงขุจักนำเพื่อนอันนี้เขาบวงขุจักแล้วภัดาสตร์หลวงพ่อวาวนี่ก่ปฏิบัติทำอากะบูรูแล้วคนต้องฟังให้มันรู้จกว่าไงเนื้อมันอย่างทีปฏิบัติทูกได้คนอื่นเขาจะมาแปลผิดไปก็มีเด้หลวงพ่อเคยได้ยินหลายคนแน่หลวงพ่อไปสอนคนอเมริกส อ, อ, อ น, นัคนสิงคโปร์ช่วงอันมาเลเซียเน้อคนอเมริกาคนฝรั่งมานี่ก็เลยเขาจะแปลให้ หลวงพ่อบูฮู้จักเนี่แปลผิดก็มีแปลถูกก็มีขาเจ้าว้านอย่างพ่อฝังเนี่ยคนฮู้จักภาษามันแปลผิดได้ขมนันวอย่างตอนขโมยยอดผิดกับตำ้าผูกกัตาได้หออย่าลพ่อบูฮู้จักทีว่าอย่างไรแล้วก็สองคนขาจะาหักแปลกันในที่นี้โมคุณาถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมภาษาคนไทยนี่ยูยบูฮู้จักบอกฮู้จักบออย่างพ่อวังเสียงนะหนูฮู้จักบอฟังลายเสือก็ต้องฮู้จักม็นบอ ดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมหรืออาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระนาราสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราทําความรู้สึกตัวตื่นตัวทําความรู้สึกใจตื่นใจเอาสนะตัวให้ได้ในขณะนี้หลวงทุกๆคนเธอ